เรื่องความอัศจรรย์ในพระธรรมวินัยคือมีการศึกษาไปตามลำดับเปรียบด้วยมหาสมุทรที่ต่ำลาดลึกลงตามลำดับพระสาวกไม่ละเมิดศิกขาบทเปรียบด้วยมหาสมุทรมีปกติไม่ล้นฝั่งสงย่อมขับไล่ผู้ทุศีนออกเปรียบด้วยมหาสมุทรซัดซากศพขึ้นฝั่ง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 เป็นที่อยู่ของพระอริยบุคคลแปดจำพวกเปรียบด้วยมหาสมุทรเป็นที่อยู่ของสัตว์ขนาดใหญ่แล้วยังคุณในพระาศาสนาให้ดำรงอยู่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้งดปาฏิโมกข์แก่ผู้มีอาบัตติดตัวในวันอุโบสถพวกภิกษุฉับ พ, พักขีปรึกษากันว่าใครๆไม่รู้จักเรา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 ภิกษุงดปาติโมกเพราะวิบัติ4อย่างคือศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติและอาชีววิบัติภิกษุงดปาติโมกเพราะอาบัติ5กองคือปาราชิกสังคาธทิเศตปาจิตตีปาติเทสนิยะและทุกกฎภิกษุงดปาติโมกเพราะวิบัติ6คือ ศีลวิบัติอาจาราวิบัติและทิฏฐิวิบัติที่ภิกษุน์ทำและไม่ได้ทำภิกษุงดปาติโมกเพราะอาบัติเจดกองคือปาราชิกสังขารทิเศตทนลัตใจปาจิตตีปาติเทสนียะทุกกฎและทุกภาสิพิสูจน์งดปาติโมกเพราะวิบัติ8คือศีลวิบัติ อาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติและอาชีววิบัติที่ภิกษุทำและไม่ได้ทำภิกษุงดปาติโมกเพราะวิบัติ9ววิธีคือเพราะศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบั ต, ททบติที่ภิกษุทำไม่ได้ทำทั้งที่ทำและไม่ได้ทำพระผู้มีพระภาค ปัดแก่ผู้รู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ภิกษุงดปาติโมกมีลักษณะสิบคือ 1. ภิกษุเป็นปาราชิก 2. ถ้อยคําปรารบผู้เป็นปาราชิกได้ค้างอยู่ 3. ภิกษุบอกคืนสิกขา 4. ถ้อยคําปรารบผู้บอกคืนสิกขาได้ค้างอยู่ 5. ภิกษุไม่ร่วมสามัคคี 6. พูดค้านสามคัคคี 7. คําคำค้านสามัคคีค้างอยู่ 8-10. ถึง 10. มีผู้ได้เห็นได้ยินและนึกสงสัยเพราะสีลวิบัติอาจารวิบัติและทิฏฐิวิบัติภิกษุงดปาติโมกเพราะเห็นเองผู้อื่นบอกเธอหรือผู้เป็นปาราชิกนั้นบอกความจริงแก่เธอ บริษัทเลิกประชุมเพราะอันตรายสิบอย่างคือพระราชาโจรไฟน้ำมนุษย์อมนุษย์สัตว์ร้ายสัตว์เลื้อยคลานชีวิตและพรหมจรรย์อธิบายความเรื่องงดปาติโมกข์ที่ชอบธรรมและไม่ชอบธรรมตามที่กำหนดไว้ภิกษุผู้โจ์พึงตั้งคุณสมบัติภายในตนคือ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 เพราะถูกโจทย์โดยไม่ชอบธรรมพิษุเดือดร้อนก็พึงบรรเทาความเดือดร้อนภิกษุผู้โจทย์และผู้ถูกโจทย์ชอบธรรมพึงบรรเทาความเดือดร้อนพระผู้มีพระภาคทรงประกาศข้อปฏิบัติของภิกษุผู้จะโจทย์ไว้5อย่างคือความการุณมุ่งประโยชน์มีความเอ็นดูการออกจากอาบัต และยึดพระวินัยไว้เป็นแนวทางผู้ถูกโจทย์พึงตั้งอยู่ในความจริงและไม่ขุ่นเคืองปาติโมขัตถปณะขันทกะจบ